เทพอบรมพระวันที่ 17, ส7เจเมษายน2521นี้ดีพูดเรื่องถ่ายยากินแล้วเกือบตายพูดสงกรานอาจารย์ขาวอาจารย์เทศท่านวันก็พูดถึงในเทพนี้ด้วยเวลาฉันวัดนั้นวัดนี้เป็นชั่วโมงน่าสงสารพระเทศถึงที่สุดนี้ก็ดี ไม่เผ็ดร้อนแต่มีเข้มค้นบ้างบางตอนพูดถึงอาจา ร, รย์ขาวอาจา ร, รย์เทศท่านวันนี่ดีเฉพาะพระเป็นคติดีนี่ห้ามอัดต่อฟังได้ภายในวัดเท่านั้นที่นี่คุณทำคดีไปด้วยก็ไม่ะสะดวกความเพียรงานที่นี่นจะนี คนก็ไม ng oh, ่ไหวโอ้บ <c ười> ่ยังคอยกลับเลยัวไปมันก็มึงควายแตลแล้วก็แต่เราไม่ถอยไม่ถอยที่ยะไปเพราะไม่เคยหลบเดินซิ่งเดินไปหาเดินกลับมาพราขึ้นมาดอยยองบอกว่าดอยเเดิน ดับมันเดินหัวดับเนนที่กำลังลงโสดเสร็จแล้วก็ลงมามาไั่น่ามออีว่าพ่อแมงปูไม่กี่ตังกะเลย่เขาทางอำเภอวัดฤาษีภูนแต่เขาม่หนีสบายาจากอำเอออกจากบ้านทุ่งเทือกทุ่งเถือกอะไรกี่ บนเขาเนี่กไลงวาพระอยู่ที่บ้านนะนั่นทองทองว่าันนะคือดึมีมีวัดเก่าพระพานนายถึงเดินแปดขึ้นแปดขั้นถีงกลับพน้องผุยกำมันทราพอคือห้าขั้นว่ะเป็นยังรวมไปหยุม ไปข้างเดียนี่มั้งลงต้สามเลียวพอเราไปวันแต่ท่านจะถึงวันที่ห้าท่านพระวันทงงี่หกคงดูนันหมดทางพนานาเนี่ยขอไปขอเจ้าแล้ขกไปนันหลังไหเลยเต็มเนี่ยนั่งนะมาพูดมา น, นาน่ารัษนาหนัําเป็น มันก็แปลกหนึ่งที่ความรู้นี่มัพูดไม่ถูกนะเขาเปิดกระเป๋ายาพื้นทางโน้นมัน ม, มันมันโดนทางนั้ถ้าเป็นที่พูดแบบโลกเราพูดแบบไม่มีแค่ติดแต่เราไม่ไม่เหนเ่อยเนี่มันถ้าดูกอย่างนั้นก็พูดออกมาอย่างนั้นถามเขาก็อบอกคั้างเขาบอกเข า, าหาตำหนา่ยาา ว่าเขาเป็นคนมการแพทย์อยู่ที่โนนรงพยาบาลนครพนมห้องแปดนู่นน่ะมันไม่ลืมละท่นเต็นแล้วนังไม่ลืมเขาเป็นคนมการแพทย์ที่ที่นครพนมโรงพยาบาลนครพนมห้องแปดตัวมาถามเขามาถอมาตต่างๆเราตื่นแต่่างถามที่อะไรบกเขามาําหน่ายาเขาไม่ได้บอกว่ามียาถ่ า, า, นนายยาถึงอะไรเขาเอามาจำหน่ายยา วนั้นกระเป๋าเขาใหญ่หญเป๋าขายยาเนี่ี่อาเขาเปิดนันมีขวดนึงขวดยามองไปพอมองขวดย <c oughs> าของนั้นโอ้โหมันพาดไปไงปังเขาน่เลยนะเหมืนจะไปคั่อาาตกันกระจาคนนั้นยืนิ่นะที่ไปขู่อาฆาตแลไม่ถึงตายแต่นี่ยอาฆาโอ้โหมนฟัมันก็ไม่รู้เรื่องเลยทมมตันเป็นเเป็เปี่อยู่ ปึงเลยปึงกับ อ, อ่่งเโอ้ไม่ได้จยากรักใ ย, ยิ้มตายเลยไม่ไน่าหนุนเยิ้ออกขนานั้นเขากันหน้าเสียหมดก็ไม่เช่ว่าปวดเปงไอยางนี้ไม่เช่มียาถ่ายด้วยนี่เขาบอกกำนังยายเสริมเขาพูดกันกางแต่วลา เ, าเปิดมันมีมองให้ยาปดชัดๆปึง เ, เ, เลย ข, ขนาดที่ว่ารั้งมาอยู่กันนี่ออก้างนันดี โอ้อยากแั้เขมแล้วตายแรงอะหวายันเขนาน่าสุดหมดนี่เขาก็าถามม่าควรไหนเขาก็จัดจับเออควนี้แล้วควนี้เราระวังนั้นยาอะไรกันเราวังนั่นถนะแดดผ่านหมดไม่เป็นไรนะครับพวกผมมียาห้ามหวานี่แหละไข้ฉันไข้แล้วจะให้หยุด เมื่อไรก็ฉันจะห้ามไปม่เคยหดเพราะว่าฉัานก็เหมือนกเขากล่องเลยนะอันมันเคยตายใจนะแล้วเขาออกมาเอายาคนนั้นออกมาหนึ่งเทือด้อนเสียวท้อนเสียวพอดีพอดีให้ฐานทุกองค์เนี่ยขึ้นไปฉันแล้วตอนสองผ ม, ผมจะเอายาห้ามออกมาถลายเพราะว่างั้นนะแล้วเท่านั้นก็หมู่เพื่อนลนะ เขาก็ฉันปลูกเขากรอบเลยนะมืเพื่อนถ่ายพ้นนักศึกษหนแปดคนเราฟาดไี่ห้าหน่งอากีนสองหนงเป็นยี่สน่งสถึงสว่าง1ิดแปดหนงจากสว่างไปเปนเก้าหนเลมันจะเป็นแปดกับเจ็ดเป็นยีห้ายี่ห้า อีกเจ็ดคน อ, อาเจียนของสองอาเจียนก็จะนอย่างแรงนะคือมันพุ่งไปจนติดฝานะคนหมดกำลังขนาดนั้นอำนาจของของอาเจียนนี่มนตอนมันด น, น, นพุ่งไปถึงติดฝานะนั่นตอนนั้นจะตอนนั้นจะสฉลบไปตอนนั้นอาเจียนเต็มที่แล้วนะครับ อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงมีความรดเข้ามาในตอนนั้นหลังจากหัวเกียนดุจนั้นเองก็อ่อนลงอ่อนลงแล้วรูดขึ้นแล้วนยังไทอดเข้าไปหมดเลยอยายาห้ามม่ฉันเถืมันมีแจะชื่อไม่ได้ห้ามก็วา หมดลงโลกเดี bon. ma, oh been, h, ๋ยวนี้มันตัดก่อนโลกวันนี้มันตกใจง่ายง่ายที่สุดเรารู่นตัวเราเองแต่ว่าไม่ลําบากกับใครของไม่ติดก็ตีลอยน้องมัจะไม่ให้ลําบากกับใครเราไม่ต้องการความวุ่นวายเนื้แต่หมอเรามีมากเข้ามาเลี้ยงราเอง เรเป็นหมอองเราเองเติมไม่เติมหน่อยนะเราดูยิ่งจะมาอะไรแต่งอพยพโยงระย่างเติมปหมันไม่เตมรืไม่ได้ไม่ได้มันไม่อยู่ก็มันไปเราม่สวไม่ติดธรรมดาดูเพราะอะไรเรากอยู่มาสี่เดือนแล้วมันมีผลขนาดไหนเยอหรอไมท่านมีเรื่องติดใจ มันก็อยู่ไปทไําไมเมื่อมันอยู่ไม่ได้ล่ะต้องไปยอย่าหาอะไรมายุ่งนะไปก็อยู่ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกันเลยเนี่ยความรู้มันดิยนดันกันอย่มันดันกันอย่เต็มที่เต็มรักตัวเองด้วยไปก็อยู่ไม่เห็นมีอะไรแปลกกันนยอยู่ก็คือท่าขันนี้ก็คือจิตตรงนี้เนี่ยไปก็คือท่าขันอันนี้สลายมันไปสู่ท่าเดิมท่างนั้นจิตก็เคืออนนี้ไง มันไม่เพืนคนอื่นไปพอที่จะคิดตกิด่างกลูวน้องกลัวนี่ในทางเรียนมันถึงความชริงแล้วมันเป็นเร่องจริมันไม่ได้โชคดีท้านเมื่อ ต, า, ตายเน่หานมันก็ไม่หานนะให้กลัวมันก็ไม่กลัวแต่มันจริงเนี่ยมันอยู่ตรงจริงนะเชื่อความจริงจิตก็เป็นความจริงด้วยไม่เพียงแต่เชื่อเฉยๆมันก็เป็นความจริ ง, งตัวเต็มตัว ทุกสิ่งทอย่างต่างอันต่างจรนงไม่ต่างจะไปกระทบกระเทืนอนงหาอะไรไนอนน ด, ด, ด, ด, ด<ป>นั่นนี่เดือนหนีตัววิจารณ์นหมครับเ่อนทำงานนี้ไม่จริงไม่จริงอย่างที่เราบอกเรื่อนี้ผมมาคิดเหมือนถ้าเราเช่อตงนี้สายของ ผู้มองบรคุกขาบอกอะไรแล้วไม่แล้วต้องมาบอกแล้วคนนั้นต้องบอกนี่บอกคนเดียวน้าจะบอกกันต่อไปมันยอมบอกเท่าไรไหนก็ไม่ยอมบอกคือมันเฉยเมยไปมันไม่เกิดต่อคําพูดคูบว่าต่างบอกสิ่งใดแล้วบอกกับผู้ใดแล้วผู้นั้นควรจะบอกกันต่อต่อไปไม่ต้องบบอ inside, ให้ซ้ำซ้อนต่งทันหวานนั้นทันหวานนี้ท่านสั่งนั้นทสั่งนี้เท่านั้นไม่ต่างคนก็ต่างเลย นน ต, ต่างคนต่างวิชาต่างคนต้องคุ้นในทุกสิ่งที่ครูวายการสอนซึ่งเป็นของมีคอยู่แล้วเป็นความปกติมันต้องเป็นอย่างนั้นเราเคยเป็นครูน้อยมาก่อนจะเป็นครูใหญ่กบ เ, เคยยินมาแล้วแตพ่ออย่างนี้อยู่ท่านอาจารมั่นเอามีดี้ใครจะตลาดยันปมพุทธการเปลี่ยนแปลงหาวบายต่างๆร้อยสรรพันนายะยิ่งของท่านอาจารมั่นนีู่ท่านสอนคนนั้นตลาด เพราะท่านจัดมั่นงป็นต ล, ลาดจองกลับปัจบันผมยอมเล ย, ยเลยขเรารับผ้าทุกอย่างเนจองปาในสมัยปัจจุบันถามว่าในทา้งกการยังไงท่านต้องในประเด็นราคะทางใดทางนึ่นะนอขงข้องแค่แกวกลา้าเงินหนึ่งที่จะเดินไปนั้นมีราคาแน่นอนของแค่แกวกลา้าความ ต้องการตลาดพิเศษในผู้บ้นานกับผู้ใดแล้วความการประโยชน์ให้แก่พระได้มากจะต้องมีเจ้าค้าทางนี้ทางจิตนะอำนาโดวงท่านมีขนาดอะไรเนี่นอกจากอำนาจดวงผู้ผู้ภาวนาเป็นไปแล้วท่านติดตามนะถ้าภาวนาเป็นไปท่านติดตามจนระิงท่านมีตามนะากใช่ อยู่มืนวัวมันวัวมนควายอะไรก็ปอยมันปล่อมายืดแต่สอนท่านสองคนเป็นเดียวกันเราเป็นคืนหมายถ้าเป็นผู้น้อยครูบาอาจารว่าไงมันถึงใจถึงใจทุกอย่างมันไม่ได้ลืม ว่าฟ้านีข้าวไปเตือนหมูเพื่อนทันทีทันทีมีข่าว่างนั้นอะไรวันนี้ข่าวลางนั้นนะ่ะรีบออกมาบอกทันทีทื่ว่าตรงไหนที่ทำตรงไหนนั่นคือที่ผิดนั่นคือสิ่งที่ผิดแล้วบอกหมูเพื่อนทันทีทันทีทีไม่ท้อท้มาทำซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างที่เป็นอยู่กับเพื่อ น, นี้ น, นี่บอกเม่ไหรือบอกบอกยกเป็นบอกเรื่องของคำนี่เบอกเมื่อที่เคยบอกว่ามไม่ใช่เป็นของละเอียดพอที่จะท่องเหมือนท้องสมมติบอกคนเดียวเข้าใจทําไมจิตต้องรํานชานี่สิทีหน้นาทิศมาตอนเราเคยเป็นผูร่า่าเนียเนเ้ยเราปฏิบัติยังไงกับภูวาใจแตนเราเป็นภู ม, มิมุ่งอาดมือกรามนั่นเอ ธรรมะที่พูดมาหลายนี่เราแน่ใจว่าจริงไม่เห็นใดจิดแย้งจริงไม่ยอมรับงาที่บอกให้เธอที่ตรงนี้อีกต่อไปก็เพราะอะเพราะมันสูงพอแล้วเทได้ใหม่นู่นที่ต่ำเขาไปเทเราบอกเขาไปเทที่ต่ำเขาจะปรับปริ้นพื้ น, นที่ไม่คแบบ่อยสูงเทไกได้จริงับจากเทวันได้กันเนาะอันไหนที่สูงเนี่ยมียเป็นเลย เรอการปัดกวาดก็ต้องรักษาลานวัดด้วยมันจะสับแต่กวาดฟาดหุยหุยหุยความมีแล้วมือเทนั้นเพะนั้นมันสับแต่ผังไม่เป็นจิตวิทย์ข้อวัดอะไรตามหลักธรรมของพระเจ้าการปัดกวาดก็้มีสติสตังมีสติมั่นระวังรักษาตัวอยู่ไม่ต้องเผลอสติการกวาดก็ต้องตุนิพพิจารณาอันนั้นกวาด ที่ไหนที่ควรจะหนักมือที่ไหนควรจะเบามือน้าแรงหนักผลผลการทำงานด้วยหน้าแรงญานิเขาเกิดง่ายสถานที่ที่ควรจะเบามือก็เบาบาดเจ็จนเป็นขอบด้งขึ้นมาสูงดูไม่ได้แล้วเขจะบอกเด็กเขาไปขุดลงมาเพื่อรักษาหนทางของนั้นนะเขาเราไม่บอก เดินไปไหนมันเห็นเพราะอะไรมันถึงเห็นเพราะตากับความรู้มันไปด้วยกันนั่นไม่แบบแบบเบร์เบมองมองนั่นนะไม่ได้คุยนะหูถึงไหนความรู้ถึงนั้นหรือมันพร้อมพร้อมพร้อมตาถึงไหนความรู้ถึงนั้นเจอเวลาป้ามมันรู้ทันทีมันเข้าใจทันทีมันสรุปทันทีเพราะอะไรเพราะความรู้มันตามกันกับทางตาทางเห็ นันไม่ใช่แบบฟักแต่ ว, ว่าดูกับแต่ ว, ว่าฟังมันเป็นความจริงของมันมันติดตามรู้ว่ามันมันับเป็นแบบสธรมชาติมันตาป้าฟ้าขงฟังแต่มันเห็นสำคัญเอ่มีสติอืจิตมีสติกตารสัมผัสมันกรูบบ้ได้เลยทาไม่มีสติอย่างว่าหามไปที่ปัญญามันสลับเ ร, บรอบอะาะกาะไปตั เอองปฏิบัติไม่ยิ่งครับมี่แค่ออกไปนะทุกวั น, นเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขากำลังลากเข้ากันมาฐานขาท่านจันมั่นคลายเป็นขาท่นานจันมั่นอู้ดนงจมกูกอุม้มบูดลงสีดังไม่เท่านะจมูกด่งงูจมกูกยื่งแข็งบูดลงสีวันเราเป็นลูกศิษย์ขาท่านจันมั่น เออเขากำลางล่าไปขอบทุกทีที่เขาไปถึงไม่ดีด้วยย่อนได้เรื่องค่าจ้างของมันเขานี่เน่เอานั่นความหมายเท่านั้นนะไม่ได้คำหนึงถึงหลักถึงเจนของหลักของทางของศาสนาซึ่งเป็นส่วนใหญ่อันจะเสียไปด้วยเพราะการทําอย่างนี้นะคนเราถ้าทำอยํางนั้นแล้วจะให้เปลี่บนต้องรักษาอัตธรรมและคงเส้นคงว่ารักษาข้อปฏิบัติให้แน่นหนามันคงไม่เอียงไม่เอียง อันนันเป็นเรื่องสมบัติภายนอกมันมาหลอกมันหยิบย่ำเป็นอะไรทาได้อย่างทำไหมมเหยียบทําทํําทาไมเอาเงิ น, นงเป็นหัวหน้าแล้วทําแหลกหมดนะเ อ, อาอาวุธเป็นหันเป็นหน้าเป็นหนัวหน้าแล้วทํำต้องแหลกหมดอาวุมีหัวหน้าเพราะหัวใจจะยึด ก, กับอาวุธใจมันก็หนักแน่นหลังโน้นสนใจลังโน้นที่ความทํามาก่อน เบาลงเบาลงขี้เยียบทำรพื่อถ้ามิทเหนือโลกแล้วไม่มีอะไรมาทําลายได้การคุปฏิบัติต้องคงเส้นคงวาควรไปไปควรทำทำไม่ควรท ำ, ไ ม, รทำไม่ทำ<ม>อาจจะมานิมนต์กี่ร้อยกี่พันคนก็ตามถือเหตุผลเป็นพิสัทธความถูกต้องดีงานป็นิสัทธ์าไม่ถูต้อ ง, งนีแล้วใครก็ตามนม่เล่นเลยเพราะอะไรเพราะทำสูงอยูคน ถ้าเรานน่สัญญาก็จะเลย่มผู้นั่นจะเป็นผู้ราาักษาสาญาได้อนนี้ลมมันพงันลมไปอัน้ลมลมไ ป, ไงงไปอย่างนั้นเงมีให้มันแหลกจนต้องกันวางมี ใ, ใครว่างอะไรก็ตามไม่คุยไ่อวดก็เริ่มดูผนไม่พร้อมแล้วจะเป็นปลายทาง เดี๋ยวรไม่เล่นด้ว ย, ย น, เ, ยววนเลยคนดังวันสงกรานต์วัดต่างๆดูข่าวแล้วอกว่าที่ั่นใช้รถใหม่รถวั ด, มดไม่ทราบว่า4ัน6คัน7คันไม่ใน่กันขาว่าันวัดลาวธรรมนอ้ม า, าดูสิมากรมาด้่รยรมน์แบบนั้นออกเอาเตี้ยงเราไม่เล่นด้วยนี่ยมามาเราไม่สนใจกับใคร เราอยู่คนเดียวเราทำมาทำขอให้มีในว ใ, ใจแต่พอีไปกล้าจาก พ, พวกมวยเ้มาจากของใครเขาปู่ท่าวงวัดพรอาจารย์ขาวว่าท่เป็นเพื่องเขาวแ้เข้าแก่แตามเรื่องปล่อยตามเรื่องวัดวัน ตัวสาคัญว่าเราไม่ขู่เลยน่งเงินได้ไ ม, มาไหนไมาเป็นหนูนี่นะตัวตาพูเกินได้เลยลงมาสงหน้ามาอมนมาชงให้เป็นประโยชน์อะไรนะท่านอ่านบุก็ได้เพื่ออ่านมาตั้งแต่วันเกิดทำมาเพื่อประโยชน์อะไรเความอยู่มั่นวายไม่เล่นด้วย อบอกความหุ่นวายกันมือเราเนี่ยคนนี้คนนั้นก็นต้องมาคนนี้ต้องมามเต็มบ้า น, น, าานเต็มเมือมีแต่ความยุ่งทุกขีดต่างๆได้เรื่องอะไรเราไม่เล่นด้วยหรอกยามานะระวงังถ้าไม่ดถูกหมาดสำคัญนะระวังอืมนี่นต้องคำนึงเสมอ จิตใจใช้ันเอืนไปทางโลกแล้วไม่เรื่องนะทำนะมันพาการจําให้ดีนะถ้าจิตใจันเอื่นทางโลกเืนเป็นเรื่ององนมิตย์ยังไงก็ต้องทําลายเพราะว่าปฏิบัติไปวันในเรื่องน้อยแล้ ว, ลวหมดไปหมดไปคุณได้ดีเดียวใรหาความเตือนไม่ได้เพราะว่าวปฏิบัติไม่ถึงเครื่องขอว่าเพราะใจหาความคงเครื่องหวงว่าไม่ได้ใจเยีนเยนแะล้วเพราะฉะนั้นหลักใ จ, จกคือเนื้อสำคัญ มีอันใดที่จะวิเศษยิ่งกว่าธรรมเพียงเท่านี้พอแล้วพพุทธเจ้าวิเศษด้วยธรรมสาวกของหาวาวิเศษด้วยธรรมไม่ใช่วิเศษด้วยอารมณ์โลกาภิธานถ้าว่าเราวิเศษด้วยนะั้นแล้วคนทั้งโลกคงามีเปนอย่นั้นทําไมไ ม, ม่วิเศษกันเพียงเท่านี้ก็เป็นเครื่องตังง้งฐานกันได้อย่างเป็ น, นเมตต์เป็นมัน ห, นยหายข้างบนได้แล้วจิตเราถ้าเราจะนํามาสอนเราเนะอ่ย เม็ดคื่อาศัยกินอยู่ทุกวันนั้มันจะตายอยู่แล้วล้นป่าเหลือคอจะกินอะไรลังหงาเรามันเป็นว่ามันเป็นมาเองที่ถึงน้ำใจของเขามาด้วยอาเทียตาใจคอแล้วพื้นไปงั้นเนี่ยของจริงมันไม่ได้สะดวกสบายนะคนเมาหงา่ใสเรองเป็นอาจจะเสรกสันปเ้งยาวเป็นคูเป็นอาจารย์แต่ไม่ได้เห็นไปเป็นไปด้วยนะ ในความลําพานยุ่งจากนั่นจากนี้พระแล้วก็น่าจนหน้าสงสารพระของนั่นจากนี้ก็เือบชั่วโมงก็ไม่เสร็จไม่ซึ่งไปใครมีใครมากปกอบมีไรถันนั่นก็มาถานันไม่มีใครมันก็้ยังมีอาหารเป็นพื้น น, น, นี้เป็นข้างจัดมาตอนเช้ามันก็เหลือเปล่าแล้วคอยเหมือนกันมีเราได้เคยทํามาแล้วมูอเพื่อนไม่คอยเห็นความลําบากลําบน ของครูวายจาร์ทัานหายท่านเคยวานิาเงินมาแต่กเพราะง้ท่านสันม่านต้อเคยเล่าให้ฟังหรือมุ่เพื่อนครูวายจาร์ที่เคยอยู่กับท่านเล่าให้ฟังเสมอยินคบวาคนมากได้จะเข้าป่าไปอยู่ที่แรกแต่อางท so ี <S <S mm ่พูดตรงน้พูดตรงนี้ไปอยู่กับพงศ์มโนเสลเนี่ยนั่นแน่นอนมันิดแจกให้ทั่วถึงเันหมด เพราท่านมุ่งทรรมอันนี้พอังคีให้เป็นไปมีปฏิปทาท่านอดอยากนะปฏิปทาพูดจะสมบูรณ์ทางธรรมสมบัติโลกาณิตต้องหากเขินบกพร่องต้องอดต้องอยากเป็นนามาแต่เมื่อใจไม่เป็นอารมณ์นะไม่เห็นมีอะไรเพราะใจมุ่งต่อตธทาท่านเจริญด้วยความอดอยากขัดแทนความเฉเขอยใจเจริญ ทำด้วยทำเพราะความบุญอากขัดเกินมันใช่เพราะความสมบูรณ์งผนแบบที่เป็นควรมันเหลือเกินวันไหนเต็มคนมาหาค้าง้็พูดไม่ได้เนี่ยรหว่าสิ่งที่ควรเอาลงเอาลงไปเล็กน้อยพอพูดแล้วไปแล้วมันปังเหนื่อยแล้วนะลายแต่เออ เหนว่าการาเป็นของข้าตันื้บืามาเป็นอะไรเป็นทํามไม่มาลบกควนแบบอื่เราก็เรื่นหาโอกาสวาเืมีเวลาตักเตือนเขามั่งกับเราก็ตักเตือนเป็นข้ออัดข้ อ, ขอทํานะเราจเป็นข้อคิดอย่ามาลบกควนไนม่น่านใส่ผาเงินเงินันทีล่ ล, ลังไปเลยมีนสนใจรบใคร อยู่คนเดียวล้วพอสบายสบายอย่างเปนสบายเพราะหมู่เพราะเพื่อนเพราะาตพระยสมสบาด้ความเป็นเนอโกโกวะความเป็นผู้ผู้เดียวเลยสบายความเป็นแบบ เ น, นี่ยกเ็เคยปฏิบัติมาบ้างพอเป็นเชื้ออันห้ึ่งาจายมาเล่าใั้ผมเพื่อนฟังให้เราปฏิบัติไปห า, า, า, ป า, า, าหปอยู่บ้านบ้านนั่งมาตานเขาบ้านใหญ่ตั้งอยู่ไม่นานเขามาลุมเขางานนับถือมากแล้วเอามาหาเรื่อยมาดูเรื่อยไม่สะดวกเรานมอยู่มันต้องหาอยู่บ้านนี่คิดค้งคาเรื่องเงินเรื่องทุกสี่ทุห้าหลังหกหลังเงิน การเล่นอยู่งั่นสบาอดบ้างอิ่มบ้างเราไม่ชนชนใจเพราะว่าเราเคยอดเคยอื่นมาพอแล้วอดก็จงกี่วันเราก็เคยอดแล้วเนยอันนี้ถันทุกวันไม่แม่มาอื่มแม่ก็ไม่ตายอันนี้เวลาถันน้อยเป็นยังไงผลของการภาวนาเป็นยังไงมันเด่นตรงนี้เด่นเวลาฉันมากมากโเหมือนหมู พจะง่วงเนาะห้องนอนทหนาเดินยงเหมือนเศษกรรมฐานเคลื่อนถี่่ีเรงตรงนี้่อก็จะเหลับน่พิถาร์มข้าวมีแต่ข้าวเปล่าๆกินไปมันจะกินได้มากแค่ไหนข้าวเปล่าๆแล้วก็กนงัล้างบาเแล้วทบาบางล้ี่นี่เอาพี่ข้ากันคยมีชั่วโมงกเอาหนาปีนั่น รุ่งใหญ่มีตรงนั้นนอฉันคนเดิยมจะนานล้วยก็ามาถึงข้ามก็ฉันกูน้่งบาตรเสร็จแล้ววางอมบาตรวาง ม, งมันม่เขากระลกก็เลยละว้านกเข้าเทางผมเดินจนเมื่อยเลยนะนะพักพักนิดหนึ่งท้โยกนั่งภาวนาชั่วโมงหนึ่งออกออนอโลกรายกบ หนืจนกรทั่งถึงปัดกวดที่มันมีอะไรมาติดมาต่อมายุ่งมาเยอะแล้วอยู่คนเดียวงั้นไม่มีทางมาควรความเพียรมันสืบต่อไปโดยลำหน่ะปัดกวดเสร็จแล้ว ả, ง ล, วลองอีกดังกมถ้าเดินหงายผมก่คืนก็เดินเพร่าอยู่ในป่าถ้าเดินมืดแล้วก็เดินลำบากเรื่องเดีบเราเอา เทียนขายไปมากไม่ได้เขามันหนักไปสองสามสี่ห่อจะได้จะได้สี่วันสามสี 3, ห่ห่อไปใช้าจะายเนเป็นทํามากกว่านั้นมันหนักเทีย น, นขายก็หายากอีด้วยนี่ยเพราะอยางนั้นเรามันมีฝุ่นบางข้าอยู่ทั้งกลางวันเราทุต้องเดินมากกว่างคืนเรานั่งเรานั่งมากมากจริงธรรมดาธรรมดาเป็นนั่งธรรมดาธรรมดาจริงไม่น้อยกว่าสามชั่วโมง นี่เป็นถือเป็นธรรมดาสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนั่งตอนกัางวันชั่วโมงเราตั้งคันมันหยุดแค่นั้นนะคือเราจะเอายาบุตรเดินน้มากเพราะลงคืนเรานั่งมากทางเดินหงายแล้วก็เดินทุกคนได้สบายดึงหน้าไปไม้มันร่วงไปแล้วแบบเราไปทำทางคมที่นุ่งโล่งหน่อยเนาะนู่โลงมือขาน้ำก็เห็นมันมีใคร่ะ ว่ามีตั้งสี่ห้าชั่วโมงมกามาวุติเ็นสี่ทุ่มห้ า, างงทุ่มทุ่งไปกว่ากน้อาคาเสร็จแล้วแบบไปเลยนุคมแล้วสี่ทุ่มห้าุ่มงจะมามาล้างจะบอกวุติเลมาล้างมามสำหรับเป็นไรมุงก็อย่างว่างานนีกอยู่มาฝุ่แค่สอก ควมเพียรมันสืกต่อเงินกิมั น, นมมแนวเนี่ยความเดาเป็นไงนะอาหารไม่สนใจไอ้เรื่องลิ้นน่ะมันเก่งอ่ะถ้ามันแส้แส้แซงทะมันเก่งเงี้ทันทีไอ้ลิ้นน่ะแต่ไม่ให้ลิ้นมันแสงทำด้วยอืไให้ลิ้นมันเหนือทำแล้วมุ่งต่อทำมันต้อง ทางทำต้องมีน้ำหนามากกว่าเพราะฉะนั้นจิตมันถึงมุ่งปฏิธรรมไม่มุ่งไปเกี่ยวเรื่องลดเรื่องชาตมหาอะไรมากเวลาพอนา้ำก็จะหลงสบายนั่งนแนวเลยด้วยความสงบออกทางการพิจารณานี่มันคล่องแคล่วว่องไวเหมือนน้ำจับน้ําซึนเวลาท่าละเอียดมากๆการพิจารณาคล่องแคลวมันเหมือนน้กลับน้ำซึมยืมก้อนมันเป็น สติปัญาปัจจันนี้ด้วยแล้วโอ้โหอุทธรมันยื่งพร้อมเลยมันเสริมไมันเหมือนจะจะเหาะกรนดิ่งปัญญาที่นออกค้างฝาเดินโยกรมันลืมไม่ร่ําเวลาเดินย่รมันตั้งแต่อุทธรเสร็จแรกจะมาทั้งตัดขวดฟังดูที่นู่นอ่ะอุทรเสร็จแรกแนี่จะมาทั้งตัดขวดตอนบ่ายสามโมงเรืวยก็เอาอย่างนั้น นวลก็ like ังอยกลางเขาเรียกนนี้เขาเรียกว่าเหล่าสวนร่างไร่ขาล้างไม่มีต้นไม้เลยมันทางกงคกรงแนวยาวๆเป็นขณานี้เคยถึงเมืองเกือกน้ำบ่อกงมเนี่เอาเงียนดีว่าเลยท่าพกนิกระแล้วผมมาติดค้างแล้วเอาเงือกแตกไม่สนใจมันไม่เหลือร้อนเลยนะยิ้มันไม่ออกหุูเกี่ยว ขื้อุ่งขี้อุ่ภายในมีหมาทสำคัญสถิตปัญญาเต็มมากไมสนใจก็ว่ามาฟูรีน้ำทาาไม่สนใจเลยเวลามันหมุนก็เป็นนั่นเหมือนกระตุลบอลมันเหมืนเทินนะบ่องเพียนพอดถอนจิตเด็ดจิตไปมากน้อยมันเห็นชัดชัดภนจิตมันเหลืออยูมากน้อยมันรู้มันรู้มันยังสืบต่ออยู่กับอะไรมันก็รู้ ขยับพอพิจารณาไปพิจารณาไปพอรู้เมื่อนี้อันนี้ขาดไปอันนั้นขาดไปค่อยหมดไปหมดไปหมดไปมันไม่มีอะไรต่อแล้วขันห้ามก็สัตว์ว่ขันจริงๆมันไม่ต่อนั่นเรยกวาขันห้ามมันโยลายภายในจิตถึงเมื่อถูกเสียงกลิ่นวัตของนอกนั้งกบพร้อมกันมาตอนที่มันแก้ัำไม่ได้พิจารณาลูกภางนอกพินาราูปภายใน เอาอันใดอันหนึ่งก็ทำไม่จะเป็นต้องพิจางานเสียงแล้วกลิ่นแล้วรสอะไรเอาอันหนึ่งแล้วมันกระจายกันไปเองืมันรูหนึ่งมันรูปนึ่หมดนมากจะพิจนราเรื่องรูปมากรูปนอกรูปในมาเทียบเทียมกันมันเข้าใจแล้วตอนนั้นมันก็เข้ารูปในได้มันเข้ารูปในเป็นปธิภาณุกรรมได้อย่างเต็มที่แล้วมันก็ปล่อยรู้สถานะไม่ปล่อยเอง คำว่าสุภาพก็ดีอาธุภาพก็ดมันก็เป็นพางการเดินเมื่อเดินผ่านกันแล้ามันก็ปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปคือว่ามัจจุมาเป็นมัจจุมาในหลักธรรมชาติของจีตเองเมื่อมันพอยแล้วมันปล่อยในเงื่อนที่สอนสุภาพอาธุภาพมันก็ปล่อยปล่อยได้กัน มาทํางเวทนาทัญญาทั้งขาทั้งยาเวลาเัาเข้าใจมันรู้เท่าแล้วมันก็ขาดอะไรที่นขาดหมดพออันนี้ขาดตรงนี้มันมันก็เป็นปัญญาธนรมิส่วนละเอียดจริงปัญญาธนรมะขั้นนี้มันรุนแรงมันผ่าโผลนที่เกี่ยวกับโดยเฉพาะเกี่ยวกับรูมผ่าดผลนมากเหมือนกำ้ังโจมมาจากไหลโจมมาจากภูเขาแต่เวลาเขา พวกนามาทํเาทงานร่างกายางางจนกรทั่งเข้าไปถึงจิตนั่นั่นละเอียดเหมือนน้ำสัน้ำซืนไหลนัทั้งแรงท้าสวจนแต่เลือไม่ได้ถ้าเรตึนขึ้นมาจนกระทั่งถึงเงือนเวลาจะนอนจะหลังเ่าเผลอไปตรงไหนเน่เนลือไม่ได้ฟังดูนี่นะะความจริงมันเป็นอย่างนั้น มันระ ล, ลึกไม่ได้แบบมันได้เผลเอตรงไหนมันไม่เคยเผลอเลยนันน่นมีจริงๆกับปัญญาเป็นมุ่งมั่นทติกับปัญญามันอยู่ด้วยกันแน่นมันเป็นนั้นแล้วมันก็ทํานิี่พิประเภทไหนจะทนสติปัญญานี้ได้มีกําลังเป็นที่ที่ปัญญากรมคือเป็นอเดียวกันไปนี ตอแล้วอะไรมันขาดไเลยขาดเอัน น, นี้ใจของผมอันี้ใจขาดผลผลดริงจริงถ้าเินลงได้เหตุผลเรแน่ที่ตรงไหนเรายังไงมันก็ต้องขาดสะบ้านไปเลยแล้วมันถอยไม่ถอยถ้ายังไม่แน่มันรอเราก่อนอะไรก็ดีไม่ว่าสิด้ายนอกหว่าภายใน ถ้ามันยัง ไ, ไม่แน่มันต้องก็ลองรอรอหาเหตุผลจนมันพร้อมแล้วมันถึงจะลงมือทำได้ถ้ารามือทำรับเอา้ารับถึงการแก้เหมือนกันเหตุผลไม่พร้อมมันก็ไม่ตกกิเลสไม่หลุดไปพเพราะหตุผลทางด้านปสติปัญญามันพร้อมแล้วอยู่ไม่น่านี่เลยประเภทขวางใจนั่นนั้นจะขาดทับทันทีเข้าใจอ๋อที่น่นคุยเสี ย, ยจริง งานพยายามแก้พยายามเทียบเสียงหาอย่างนั้นผมพอแก้พิเดียตประเภทนี้นั่นคือไปเจองานยล้พวพอแก้นี้ขาดลงไปเข้าใจแล้วคุณพอเข้าใจแล้วมันก็คุ้ยเขี่ยเนี่ยมันไม่ว่าคุ้ยเขี่ยหาอ่ามันสาเ ห, หตหุตรงไหนมันเนี่ยติตรงไหนเอากันนี่ก็เป็นงานอันหนึ่งงานคุ้ยเกี่ยหาพอเจอแล้วก็เอากันมาที่ตะลุมบอลกันนี่ก็เป็นงานงนนานนั้นหนักหนักกว่างานคุ้ยเกี่ย มันหมดไม่มีอะไรที่จะคุยเกียงนี่อะไรที่จะขุดตะค้คนแล้วมันหยุดเองสติปัญญาเพราะสติปัญญาก็เป็นสมมุติอ่ะทุกสมมติฐานนิโรธมากเป็นสมมุติทั้งนั้นถ้ามันเห็นจริงนะจะไปคาดนะสมมติว่าโทุก็เป็นกิริยาที่เกิดที่ดับสัญญาอันน่งที่เกิดขึ้นันนาการและจิตทุกข์กิริยานี่ย เราอยาว่าแต่ทุกข์มืนนั้นนะสุขก็ดีว่ากมันพิจารณาแล้วมันมันเสมอไปนั่นนะนะแต่สุขเป็นสิ่งที่แผดโลกร่างการไม่ไม่ผิดแต่เวลาเข้าถึงขั้นที่ควรคิดเอามาพิจารณาเกียรแก่นนั่นสุขเวทนาเนี่ยนั่นก็เป็นนามธรรมเหมือนกั น, นกในหลักปฏิบัติมันมันทั่วถึงไม่เพียงแต่ทุกข์แต่ทุกข์มันเป็นสิ่งที่ ทรมานติดใจเราทรม า, มานร่างกายเรารับความทุกข์ความลำบากจิงต้องเจอมากชวนสุกนี่มักจะหลงเช่นอย่างติดสมาธินักก็ติดสุกติดเวทนาหนึ่งสุขเวทนานติดสมาธิเพราะทำงานเขาถึงสมาธิผิดสงบสมายนี่นก็ติดอย่างนี้นเวลเาเราแยกครัมันเป็นความสงบภาพสมกับว่าปัญญามีผู้ถนัดแล้วสุกกับทุกมันเป็นอาการหนึ่งเป็นสมมติ ในการทำงานอสมูทไทยก็นั่นก็เป็นสมมูิสิ่งที่ฝังกับฝังภายในจิตอาการที่มันแสดงออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลินทางกายรวมคาดหมายออกมาทางทั้งขานทางปัญญาทางขานเป็นอาการสมูทไทยการพิจารณาสมูทไทยจะต่วจสอสมูทไทย ไม่เอามารมสมาถอนจะอะไรมาถอนถ้าจะทําเสี่ยวโยงอย่างนี้โดยหลักธรรมชาติการปฏิบัติต้องเกี่ยวโยงกันเราจะไปกําหนดรูด้ทุกแล้วจริงนะ้นเ อ, อละสมุทัยซึ่งจะไปทำมิโรดให้เก่นี่จะไปเจริญมาก ม, มันอะไรอืมันแจ้งโดยอะไรมิโรดทําให้แจ้งมันแจ้งโดยอะไรทําไม่แจ้งโดยมาร์กเอาเอะไร<ๆ>มาแจ้งอืมละสมุทัยไม่ละโดยมาร์กเอาอะไรมาละนั่นตรงนั้นที่ตรงนั้ มสมมติเมื่อพอรู้ทุกขา น, นั้นนะรู้ทุกข์มันจะค้นหาสาเหตุทุกข์นี่มันเกิดมาจากไห น, น, นเกิดมาจากทางร่างกายสายเหตุมันคือยังไงร่างการนั่งนานอ่ะของ น, นี้หรือสาเหตุมันคือเพราะร่างกายมีการเต็ดไข้ได้ป่วเนี่ยมันก็รู้สาเหตุขงมันแล้วที่จะมันมันจะเสริมกันให้ทุกข์มากนะเพราะอะไรสาเหตุมาจางกอะไรมาจากจิตจิตกป็นต้องการหมาอยากนันหาอยากนั้ น, ป น, นเป็นอย่างนั น, นี้ความอยากนี้ คือตัณหาอะไรความไม่มีอิ่มพอความหรือความโหยมีสมุทยัยอันนี้มันเกิดมาจากไหนมันย้อนลงไปย้อนมาทิฏฐิยาที่ย้อนลงไปย้อนมาคนไทยอย่ลงเราคนนี้คือมากแล้วนั่นนี่จะว่าอะไรพอเข้าใจแล้วมันกระดับทุกเรื่องนี้ก็ดับไปไปไปไปไม่โลดไม่โลดเนี่ยถามว่าจะเป็นการทํางา น, นไม่โลดมันทํางานอะไรมากองพูดทํางาน เหมือนความอิ่มปรากฏขึ้นมาจากการรับทานรับทานมากรับทานน้อยมันก็อิ่ไปเป็นลาดับลาดับอันนี้ด้วยคกระดับทุกขออ์คือความหิวโหยไปด้วยยดับๆมันก็ดบแบบนั้นนหละ แ, บบแลบรับทานแไม่ใช่ว่านิโรธจะตั้งหน้ามาทำหน้าที่ตนเองโดยลพั ง, งตมาร์นี่เองเป็นผู้ทาหน้าที่กคแค่ทุกขงก็ไม่ได้ทำหน้าที่ทุกขก์ทำาจ สมุทยัยเปนผู้ถังพูดออกมาเป็นพุกอันนี้จึงเป็นสมมติทางนั้นถ้าจะทำทั้งสี่เป็นทางเดินเป็นเครื่องมือผ้าฟันที่เลยเป็นเครื่องระงับดับที่เร็วคือสมุทยัยดักด้วยมากมันเกี่ยวโยงกันหนึ่งแยกกันไม่ออกถ้าจะทำทั้งสี่แยกไม่ อ, อ จอหนุ่มกัไปทั่วถึงทั้งหมดทีนี้พอพร้อมแล้วมรรคพร้อมแล้วกิเกลสดุจลาว่าจัดใจหมดแล้วคำ ว, ว่า น, นิโรธคือความดับทุกข์อย่างสนิทนั้นก็เป็นขึ้นมาเองก็ไม่มีกิเลสจะทําให้อะไรให้ทุกข์เน่ยเมื่อกิเลสเป็นผู้ก่อควาให้ทุกข์เผู้ยุยงหยียดถ้าเกิดความก็เกินมาอะไรมันจะทุกข์มันกระดับเขาที่เพราะกิเลสตายงานให้พูดง่ายถ้าเราจะพูดว่าตายกิเลสตายไปแล้วใครจะมาก่อทุกข์ให้ พี่ตายทุกกระดับไปด้วยพี่ทุกซึ่งปเป็นตัวผลเกิดมาจากพี่เลยนั่นแหละมันแบบนี้โรดที่เมื่อทุกกรดับไปแล้วพี่เรียนดับไปแล้วใครมัผู้รู้พี่เลียดับอืดับไปแล้วใครมผู้รู้พี่เลียนดับไปแล้วนั่นนะใช่ปัจจะทํารมอันนั้นทุกชุมไทยรุ่นนักเป็นปัจจะรธรรมผู้ที่รู้ว่าวมัากทำ ม, ก ม, ทมาพี่โดยสมบูรณ์จนถึงกับว่าทุกกรดับไปหมดโดยสิ้นเชิง นี่ไม่ใช่การจะทำนี่คือผู้บริสุทธิ์แล้วเมื่อเต็มที่แล้วรู้ด้เต็มที่แล้วก็บริสุทธิ์นั่นนะพอถึงขั้นนั้นแล้วสติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวที่เรียกว่าอัตโน ม, มัติอัตโนมติที่หมุนค้นหาเหตุหาผลหาทิปกดทิ่เปลืองนี้ละงับไปเองไม่ละงับเขาจะไปฟันอะไรอืมจะไปค้น รู้เยหาอะไรหากิเลสตัวไหนก็กิเลสหมดไปก็รู้อยู่แล้วกิเลสหมดไปไม่มีที่จบขุดจกักคนแล้วประการที่ถีหรือทันทีิกโกเต็มหัวใจอแล้วก็จะไปค้นหาอะไรถ้ามปัญญาก็เป็นธรร ม, มุตอันหนึ่งก็ก็ระงับไปโดยเหตุผลงงนตนคาว่าโดยเหตุผลงงตนก็คือแบบก็พาสิ่งที่จะแก่สิ่งที่จะให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจาให้ถก สิงที่จใจถอดบอกมันหมดไปแล้วจะมาถอถอนหลไรฟันอะไรถ้าเป็นมีก็จะฟันอะไรนี่ยัระงับไปเร์ก่อนหลังจากนั้นแล้วจะว่ามีสติข้อตามไม่ว่าจะว่าที่มีสติจะว่าไม่มีสติมันไม่ถูกเพรเป็นอาการสมมติทั้งนั้นจะพูดได้แต่ว่าบริสุทธิ์แล้วเท่านั้นอันนี้แน่กว่าอันว่าพระอรหันต์ตัง สติญี่ปุ่นล่าพระหลานมีสติอันไพภโมโมนีิจะพูดได้ในเวลาที่พระหลานนั้นถูกอธิกรณ์เช่นมีใครมาฟ้องร้องว่าท่านทําผิดอย่า ง, น, งนั้นอย่างนี้จะมั่วว่าทำผิดอย่างหนักบางไอ้ บ, บ้างจึงพระอะไรทับธรรมาระบุอะครับมันก็เข า, าบังวารบุว่าอะไรกับมาตุกนุกขางห์หืมพระ ถ้าพระมารดาบุตรเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ท่านเป็นไปผู้สติี่ตุนละมีสติไปบุญแล้วงานพระองค์สมรับรองท่านอย่ามายุ่งเรื่องสมมติถ้าพูดไปษามเรานะอันนี้เป็นจิตสมมตอันนั้นเป็นสมมติมายุ่งกันหม่ไม่ใช่วิสัยของสมมติหนึ่งนะจิตตรงนี้นะอันก็ยกคุณมาลาก่อนนะเป็นสติี่ตุนละแล้วคือว่าสติไปบุญก็มาว่างพูดงานๆคือว่าจิต สมมูิเติมที่แล้วในขั้นสมมติไม่เกี่ยวกับเรื่องโลกสมมุติใดๆทั้งสิ้นอันนั้นมันเป็นสมมุติหนึ่งอย่างฟ้องเรื่องรองเรื่องเป็นเรื่องชั่วอะไรอะไเป็นเรื่องของสมมุติที่ยงมีขึ้นสุดขึ้นมูลมันวางทํอย่างนั้นแล้วยกมาพูดเพื่อเพื่อลบกันกับสมมุติที่เขาฟ้องร้องนั้น รับกันด้วยสติญี่ปุ่นรับหรือผู้มีสติไทยบูรเนี่ยแต่ปกติแล้วจะว่ามีสติหรือไม่มีสติท่านไม่นิยมท่านไม่เสด็จไม่สั่ขึ้นว่าจริงตามความจริงอยู่ตามความจริงเท่านั้นเองอยงว่าทางวิเศษี่โสกับว่าใครท่านก็ไม่เคยสําคัญตดวิจารณ์เราไครก็ไม่สําคัญตดดีกว่าใครก็ไม่สาคัญตนตัวเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเนื้อมากวาสน้ ท่านไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะเรานี้นเป็นสมุท์ทั้งหมดจะอยู่ตามหลักธรรมชาติกันธรรมชาตินั้นมันนอกแล้วจากความเส็ศสันต์ปั้นเราด้วยเหยียบย่ำทำลายไม่มีอะไรเหลือนั่นนั่นการปฏิบัติทามันเล่นว่ะเวลาเนี้มันแคบขนาดวงกรรมฐานไปอยู่ไหนมันก็ร้อนเพข้อวัดปฏิบัติมันไม่เหมือนกัน ก็ทิพย์ภัยก็ว่าทิพย์อนั้นมันทิพย์โลกามนีรมันเห็นแต่โลกไม่ได้เห็นแต่ธรรมมันก็ต้องเหยียบ ย, ย, <c oughs> ย่บำย่าทํำลายธรรมไปเห็นมองดูขวางตาไน <c oughs> ้่ว่าไงผู้มุ่งธรรมขวางตาดี่นหนึ่จนอะไรจนไม่เถอะยินทะบาดข้าวมังมากินนี่มันไม่ตายเ <c oughs> นี่ยธรรมสมบัติเป็นของเลิศเราต้องการหาธรรมชาติที่เลิศ มันได้เล <m ics> ิศแต่ห้านการกินกุู๊กาแฟมันสม่หวาองนันหเลิศด้วยการถอนถอนเรีออกให้เป็นธรรมล้วนๆทงต้องการความเลิศมีความแท้ตั้งอกตั้งใจมีความเด็ดเดี่ยวจริงจังต่อเจ้ของมั่ยันรอนแหละโยกยกลมทรเหมือนหลักปักที่ป่าถไหละ มีตังโฮมืองันตันเวลามีแสกมากถามค่อมีมาญาติมีคนหลายชั้นที่เขา้ามาแล้วเขาหัวร้อนนะเราก็ได้พูดว่าตังโฮมตัมอถ้านี้มัาเคยได้เรื่องเวลาแล้วนะเขาบอกเครู้เรื่องเวลาเราจะพาผู้มีอยู่บนสามาเกี่ยวข้องมันก็มัใจ่านะความเพลินความปังคําเพลินอยู่ทวารใส่อบุนมาเพื่อกฝึกข้า พยายาว่าลำบากบางทีไล่เขาตะเลยปเปิดเปิงกลับไปตรงนี้ <c oughs> อะไรก็คือความไม่รอบขอบความไม่รื้จักเวลารั น, น ส, าสามโมงก็ม้มใจจะออกสามโมงสมโันจะออกไล่ขอับกลัไปถ้าไม่เห็นมีผลที่เป็นที่เหมาะสมก็เลยว่าทำไปด้วยความงงมเลยเราเราออกตรงนี้นะเามาตรงนี้นะ ปกติแล้วเขเหนอยย่งกับใครอยู่แล้วา ก, การทำท่านสอนเพื่อความเจลิญเรามามุ่งถุงนี้การจะปฏิบัติดูด้วยกันไม่เป็นของวิรัติาถาวรนะเคยพูดเสมอเวลาดูประภูบายตามภาระภูหลังในหน้าที่ท่านลาภเองเสียวเขาผู้คนหน้าทีเรามีแต่ความปฏิบัติตามเมื่อว่างล้วก็ทําหน้าทีท่ตัว เคยมีคนนั่งส ม, ม, มาธิภาวนาในถือนี่เป็นหลักใจงานงของเจ้าของงานของนักบวชนักปฏิบัติเราก็คืองานภาวนานี่เป็นงานแท้งานเพื่อความบริสุทธิ์ใจและงานเป็นงานที่บริสุทธิ์ของพระแท้มันเป็นงานที่บริสุทธิ์ของพระแท้แล้วก็เป็นงานเพื่อความบริสุทธิ์ของใจของผู้ปฏิบัตินั้นเอง